หนังสือเกี่ยวกับพระวินัยมาถวายพระเรื่องพระวินัยโยมรู้ไว้บ้างก็ดีนะโยมชอบทําให้พระผิดพระวินัยเมื่อก่อนไปบินทบาตนะชาวบ้านนะเช่าเงินใส่บาทถ้าไม่รับนะเราก็ต้องดูเป็นคนๆ ค, คนไหนบอกได้เราก็บอกว่าพระรับไม่ได้หรอก เอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นก็แล้วกันหรือบางทีก็บอกหลวงพ่อรับแล้วนะเอาไปเลี้ยงลูกอย่างงี้บางรายเนี่ยพูดไม่ได้ถ้าพูดแล้วจะโกรธเราก็ต้องยอมรับไว้นะเราไปปรงอบััดเอาเพราะว่าโยมถ้าไม่รู้วินัยเลยเนี่ยพระอาบัติได้เรื่อยๆโยมชอบหมาม า, มาปล่อยวัด พระเป็นนั่งอยู่กับหมาตัวเมียก็ไม่ได้แล้วนะอาบัติแล้วเงั้นวัดปฏิบัติจะสังเกตนะพระจะกลัวหมาเพราะกว่าจะดูว่าตัวผู้ตัวเมียบางตัวมันประจบใช่บุกเข้าถึงตัวเลยครูบาอาจารย์ท่านเข้มงวดพระวินัยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากเลยอย่างสังคติของพระมันเป็นผ้าสองชั้น สชั้นพระพุทธเจ้าอนุญาตบอให้ใช้ผ้าสังขติสองชั้นได้ทำไมให้สองชั้นท่านต้องทดลองก่อนในฤดูหนาวนี้ท่านพบว่าในยามแรกนี่ท่านใช้ผ้าผืนเดียวอยู่ไหวพอดึกขึ้นไปนะต้องสองผืนถึงอยู่ไหวใกล้สว่างนี่หนาวจัดต้องสามผืนถึงอยู่ไหวท่านเลยให้เย็บควบกัน พืนหนึ่งที่ห่มประจำเนี่ยเป็นจีบอลนะสังขติเนี่ยเป็นผ้าสองชั้นพระวินัยบอกพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ใช้สังขติสองชั้นได้พระสมัยใหม่เริ่มตีความท่านอนุญาตเนี่ยไม่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะท่านไม่ได้บอกว่าต้องใช้สองชั้นท่านบอกท่านอนุญาตให้ใช้ผ้าสังขติสองชั้น ลืมไปว่าหลักของพระวินัยนะถ้าไม่ทําสิ่งที่พระพุทธเจ้าอนุญาตหรือทําสิ่งที่ท่านห้ามนะอาบัติตรงนั้นกนระทั่งพระรุ่นหลังนะบางทตีตีความพระวินัยให้ตามกิเลสไปเรื่อยๆนะถ้าไม่มั่นใจเรวก็เอาดูครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูตัวอย่างท่านนะท่านงามสยมรู้บ้างก็ดีนะ เดี๋ยวที่อุตส่าห์มาแจกหลวงพ่อก็จะแจกให้พระพระมาที่วัดหลวงพ่อเนี่ยมาจากทั่วประเทศแหละอ้าวต่อไปใครจะคุยเชิญคนอยู่วัดมัสการ์ค่ะหลวงพ่อ ที่หนูภาวนาอยู่หลวงพ่อบอกว่าถูกแล้วที่ดูกายเป็นหลกักแล้วก็ถ้าเห็นจิตก็ดูจิตอะคะ่ะแต่ทีนี้หนูสงสัยว่าถ้าดูกายเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกว่าเราต้องทําสมาธิอะคะ่ะหนูทําสมาธิไม่ค่อยได้อ่ะคะ่ะหนูดูกายแล้วการที่หนูดูกายหนูจะได้สมาธิมันยังไม่ได้ดูแบบเจริญปัญญาทีเดียวหรอกการที่เราค่อยรู้สึกรู้สึกรู้สึกอยู่นะจิตไม่หลงไปไม่ไหลไปไม่ฟุ้งซ่านไปมันค่อยๆได้สมาธิขึ้นมา งั้นการดูกายในเบื้องต้นมันดูแบบเพ่งกสินนะคือให้จิตจ่ออยู่กับกายรู้สึกอยู่ที่กายนได้สมถะนะได้สมถะเพราจิตสงบแล้วนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะเห็นกายทํางานไายนี้ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ใช่ตัวเรานี่เดินปัญญานะงั้นจะเดินปัญญาได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ตรงที่ว่า จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไหมถ้าเมื่อไรจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ก็เรียกว่าสมาธิพอล้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไปดูร่างกายนะจิตไหลเข้าไปอยู่ในร่างกาย น, นี่สมาธิไม่พอนะงนั้นดูกายมันก็มีสมาธิเกิดขึ้นได้บางคนดูจิตไม่ได้นะฟุ้งมากก็มาดูกายมาเช่าช่องนี้ก่อนพอดูกายได้จิตค่อยสงบมันดูง่ายมันของหยาบ จิตเป็นของละเอียดถ้าจิตฟุ้งมากเป็นละเอียดยุ่ยยบยับดูไม่ทันก็มาดูกาย้จิตค่อยสงบลงมานะคราวนี้ก็ดูจิตออกก็เดินต่อไปได้เพราะน้นเวลาดูกายนะดูอย่างสมัติรู้สึกถึงมันไหมรู้สึกถึงมันนะจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันเป็อย่างนี้นะจะได้สมาธิขึ้นมาขอบคุณค่ะบางคนนะคิดฟิลึก คิดว่าถ้าดูกายเป็นวิปัสสนาบางคนก็พิลึกอีกเหมือนกันนี่คิดว่าดูจิตเป็นวิปัสสนาความจริงดูกายก็เป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้ดูจิตเป็นสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้มันอยู่ที่มีจิตเป็นคนดูไหมถ้าจิตตั้งมั่นถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เห็นกายอยู่ก็เดินปัญญากายไม่ใช่เราเห็นจิตใจนะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลนะจิตเป็นคนดูอยู่ก็ไม่ใช่เราอีก ก็เดินปัญญาไปเพ่งจิตให้นิ่งๆก็เป็นสมถะไปเพ่งอยู่ในร่างกายเช่นไปจับอยู่ที่ลมหายใจไปจับอยู่ที่ท้องไปจับอยู่ที่เท้าก็เป็นสมถะนะถ้าหลักให้แม่นๆแล้วนะการภาวนามไม่ยากครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็ภาวนาดีแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยท่านทํามาผสมกันครุกๆมาคือพากันทำนะครูบาอาจารย์แนะนําท่านทํามาดูไปอย่างนี้แหละอะไรเงี้ย ดูไปด้วยตอนที่ท่านดูอยู่เนี่ยจิตมันพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนาถ้าสังเกตให้ดีกระทั่งครูบาอาจารย์สายวัดป่าใช่ไม่พูดคาว่าวิปัสสนาน ม, มีแต่เรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติแต่เวลาลงมือทํานมันจะคลุกกันผสมกั น, นตอนไหนจิตฟุ้งซ่านมากทำความสงบนี่ได้สมถะ ถ้าสมถทานลึกเกินไปจิตนิ่งเกินไปพิจารณาร่างกาย น, นี้เป็นอุบายกระตุ้นให้จิตทํางานให้เดินตัญญายังไม่เดินแต่เป็นแค่กระตุ้นตรงที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นกายเคลื่อนไหวทํางานไปนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดอูอันนี้เดินตัญญาอยู่ลนะเห็นเลยไม่ใช่ตัวเรานะอันนเวลาเดินตัญญาเนี่ยธรรมชาติของจิตจะไม่เดินตัญยารวดเดินตัญญาไปนิด น, นหน่อยหน่อยนะมันจะวกกลับเข้ามาทําความสงบเป็นช่วงช่วงไปกระทั่งดูจิตก็แบบเดียวกัน ตอนแรกๆหลวงพ่อโง่โง่งหลายแต่ไม่ดื้อนะโง่เฉยๆแต่ไม่ดื้อตอนเด็กๆนั่งแต่สมาธิทําความสงบก็รู้ว่าเป็นสมาธิต่อมาไปหาหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตพอไปดูจิตอยู่ทั้งหมดเลย้แต่เจอท่านเจ้7เดือนในส่งกันบ้านครั้งที่สองพบท่านครั้งที่สาเป็นการพบครั้งที่สเป็นส่งกันบ้านครั้งที่สองครั้งแรกไปเรียน ก็ไปเล่าให้ท่านฟังว่าจิตเป็นอย่างนี้นะท่านก็บอกจิตมันเข้าสมาธิไปบอกท่านนะไปเจียงท่านนะโอ้ผมไม่ได้นั่งสมาธินะนึกว่านั่งสมาธิต้องนั่งหายใจผมไม่ได้นั่งสมาธิผมนั่งดูจิตไม่หลวงปู่ว่าจิตเป็นสมาธิท่านบอกดูจิตนั้นได้สมาธิอัตโนมัติงั้นเวลาที่เราเดินปัญญาเนี่ยนะไม่ใช่เดินปัญญารวดจิตจะพลิกเข้ามารู้สึกตัวอยู่เฉยๆบางทีก็ออกรู้ เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปนามตรงนั้นเป็นปัญญาตรงที่รู้อยู่เฉยๆรู้สึกตัวเฉยๆอยู่นี่เป็นสมถะงั้นบางคนบอกว่ารู้ลูกเดียวรู้ลูกเดียวไม่พอนะรู้ลูกเดียวรู้แล้วก็เฉยอ ย, อยู่งั้นทั้งปีทั้งชาติอันนั้นสมถะแล้วจิตตั้งมั่นรู้ขึ้นมาแล้วก็ต้องดูขันมันทํางานดูกายทํางานดูใจทํางานถึงจะเจริญปัญญานะตอนเจริญปัญญาจิตที่อพลิกทําสมถะเป็นช่วงๆหรือก็ออกไปเจริญปัญญาเดี๋ยวก็ทําสมถะ ไม่เหมือนการทําสมถะการทําสมถะทาําสมถารวดไปเลยไม่เจริญปัญญาเนี่ยทําได้แต่วิปัสสนารวดเลยไม่มีสมถะเนี่ยไม่มีหรอกจิมยนรู้สึกตัวขึ้นเฉยๆเป็นช่วงๆเดี๋ยวก็ดูต่อแล้วก็รู้สึกขึ้นนะแต่ว่าไงคนนี้ส่งหรือยังยังนะอว่ามาถ้าอย่างงั้นที่เมื่อวานนี้ที่หนูส่งไปอะค่ะ ที่ตอนแรกจะรู้อยู่เรื่อยๆอะคะ่ะแต่ว่าถ้างั้นก็คือเป็นสมถะหรือเปล่าคะถ้ารู้ตัวเฉวยเลยนะถ้าเป็นสมถะแต่ถ้ารู้ตัวขึ้นมาแล้วเห็นกายทํางานเห็นจิตทํางานเป็นมิปัาสนางั้นไม่ให้อยู่เฉยครูบาอาจารย์สั่งนะสอนเลยระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะสอนขนาดนี้หลังๆมาสอนอางานะให้ประคองจิตให้นิ่งๆว่างๆขัดกับที่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนสอนน เอาตาเอ่อเอาที่หลวงพ่อบอกว่าตาเป็นคนที่มีโทสะจริตมากคือจริงๆตารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีอนุสัยโทสะนะคือเยอะมากแล้วก็แต่ก่อนจะเห็นโทสะมันจะเห็นตัวอัตตาค่ะความยึดถือในความคิดของตัวเองที่เป็นใหญ่มากๆค่ะคือมันยึดในความคิดความเห็นนะแล้วมันไม่ได้อย่างใจมันก็มีโทสะในโลกเนี่ยคนทะเลาะ ก, กันด้วยสองเหตุผลนะอันหนึ่ง ความเห็นขัดกันก็เกิดโทสะอันหนึ่งผลประโยชน์ขัดกันก็เกิดโทสะเมื่อพระเจ้าจะสอนว่าคราวาสจะคาราวาสทะเลาะกันเนี่ยนะเพราะตัณหาและทิฏฐิอยากได้แล้วไม่ได้ก็โกรธมีความเห็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เห็นด้วยก็โกรธนะพระกับพระจะทะเลาะกันด้วยทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกันแล้วทะเลาะกันแล้วก็ที่เลวร้วายไปกว่า น, นั้นก็คือมักจะเห็นว่าตัวเองจะมีโทสะกับคนใกล้ชิดอย่างเช่น ยิ่งคนที่เขารักเรามากใช่กับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยจะเป็นเยอะค่ะเออนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็รับวิบากไม่เป็นไรวัดตาก็เห็นอยู่ตัวนี้ค่ะกลัวเกรงไครในวัดตาเราก็พยายามลดละนะตาไปดูเลยตรงไหนที่เรารู้สึกปลอดภัยนะเราก็ปล่อยเต็มที่แล้วนี่ตรงเนี้เป็นจุดอ่อนของมนุษย์นะ มนุษย์เนี่ยทำร้ายคนใกล้ตัวมนุษย์เนี่ยทำร้ายคนที่รักตัวเองเพราะรู้สึกปลอดภัยไปดีกับคนอื่นนะแต่ร้ายกับคนที่ควรจะดีเ <c oughs> นี่ยพยายามรู้ตัวนี้นะแล้วค่อยๆปรับพฤติกรรมไปคนรอบตัวเราเป็นคนที่เราต้องดูแลต้องทนุถนอมนะถ้าคนรอบตัวเราเรากระทบกระทั่งตลอดเวลาชีวิตเราจะไม่มีความสงบสุขเลยกลับมาบ้านในบ้านต้องร่มเย็นให้ได้นะ บ้านไม่ร่มเย็นเพราะวาความเห็นไม่เหมือนกันรู้ทันว่าจิตยึดในความเห็นความยึดในความเห็นหมดไปนะก็อยู่กันอย่างร่มเย็นนะถ้าเราทำบ้านของเราให้ร่มเย็นนะคนรอบตัวเราก็มีความสุขเราก็จะมีความสุขถ้าคนรอบตัวเรามีแต่ความทุกข์เร่าร้อนเราไม่มีความสุขหรอกเราไปดีข้างนอกข้างในวุ่นวาย <c oughs> มีพวกคุณหญิงคุณนายประเภทสังคมสงเคราะห์อะไรเงี้ยนะ ไปช่วยเยาวชนเยาวชนติดยาเยาวชนมีปัญหาเยาวชนดือ้อหนีออกจากบ้านนะไปช่วยช่วยช่วยนะลูกตัวเองก็หนีไปแถมพาสามีหนีไปด้วยนะพ่อคุณหญิงเนี่ยคุณนายอะไรเนี่ยจะไม่ค่ย อ, อยู่สนใจที่บ้านเลยนะออกนอกบ้านเนี่ยก็ยิ้มหวานเจอใครก็ยิ้มยิ้มยิ้มนะจะแจกอะไรหน่อยหนึ่งก็ยิ้มอยู่งั้นอะ่ะกว่าจะแจกนานยิ้มมากไปพอกลับบ้านนะั้นเครียดสุดขีดเลย มันเก็บกดมาจากข้างนอกนะกัดแหลกเลยในบ้านหลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่งเพื่อนจะเตือนแกคุณนายเนี่ยคุณนายอย่าข่มสามีมากสามีเขามีอะไรก็ให้เขาพูดบ้างเถอะเขาเครียดเดี๋ยวเขาทนไม่ไหวนะแกกลับบ้านมาวันนี้จะปรับตัวละอ้าวคุณมีอะไรเชิญพูดได้เต็มที่เลยวันเนี้ยบอกจริงเหรอจริง ผมละอัดอั้นมานานแล้ววันนี้ดีเหลือเกินผมจะได้พูดอ๋อเริ่มเห่าแล้วเหรอไอ้แก่ อ, อลืมไปนะลืมไปว่าจะให้เขาพูดนะอ๋อเริ่มเห่าแล้วเหรอไอ้แก่ไอ้แก่ตกใจเลยอย่าโมาแต่หวานอยู่ข้างนอกนะคนใกล้ตัวเป็นคนที่เราต้องดูแลอา้าต่อไปใครจะคุย น, นมามัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะอืมเมื่อเดือนที่แล้วมาส่งกันบ้านนะคะหลวงพ่อบอกว่าตั้งใจดูมันมากเกินไปอะคะ่ะอพอหลังจากนั้นมันเหมือนหลงไปบ่อยอะคะ่ะคือการปฏิบัติที่ผิดมีสองอันนะความสุดโต่งสงด้านด้านหนึ่งหลงไปเผลอไปด้านหนึ่งเพ่งไว้ประคองไว้บังคับไว้นี้ถ้าเราประคองไว้เรื่อยไปนะเราก็ไม่ทําชั่วแต่ไม่เกิดปัญญาแล้วเราปล่อยจิตหนีไปปล่อยไปนะไปทําชั่วได้ แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตมันจะได้ปัญญางั้นการที่เราจะปล่อยให้จิตทํางานจนเกิดปัญญานี่มีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าถ้าจิตของหนูพอปล่อยปุ๊บเนี่ยแต่เดิมเราประคองมากเนี่ยถ้าเราปล่อยเมื่อไหร่นะมันจะฟุง้งฟุ้งแหลกลานเลยมันมีวิธีคล้ายๆว่าจะจับนะแต่แกล้งปล่อยนะคืออย่าไปจับมันเต็มที่จับนิดๆแตะแตะไว้ เช่นพุทโธพุทโธไปหาเครื่องอยู่ให้จิตแต่ไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปละรู้ทันเอามาพุทโธใหม่หนีไ ป, ไปแล้วไม่ว่ากันพุทโธพุทโธหนีไปอีกรู้ทันหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะแล้วก็ไม่บังคับว่าจิตจะต้องอยู่กับอารมณ์อันั้นบางคนรู้ลมหายใจหายใจสบายสบายไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันนะจิตเป็นยังไงรู้ทันไปเรื่อยอย่างนี้จะไม่หลงยาว ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยจะหลงยาวยงั้นมันจะมีการปฏิบัติที่ผิดอยู่สองอันนะที่ถูกอยู่อันหนึง่งที่ผิดเนี่ยปล่อยจิตให้หลงไปเลยนานๆเลยเนี่ยผิดแน่นอนที่ผิดอันที่สองเนี่ยไปเพ่งจิตไว้บังคับจิตไว้จนมันเคลื่อนไหวไม่ได้มันเครียดเครียดหนักๆ น, นะอันนี้ก็ผิดนะที่ถูกก็คือมีเครื่องอยู่ของจิตไว้อันหนึง่งไม่ได้ถึงขนาดจับไม่ให้กระดูกกระดิกแต่มีเครื่องอยู่พอให้จิตได้อาศัย พุโทโธหายใจไปพุโทโธไปอะไรก็ได้นะแล้วถ้าคอยรู้ทันจิตไม่ใช่บังคับจิตให้นิ่งแต่พุโทโธไปหายใจไปเพื่อคอยรู้ทันจิตพุโทโธพุธโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุโทโธพุธโทโธจิตมีความสุขรู้ทันจิตมีความทุกข์รู้ทันพุโทโธเรารู้ทันจิตไปจะไม่หลงนานนะถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่จะหลงนานมีตอนที่นั่งสมาธิอยู่ที่นี่สองสมวันนะคะตอนช่วง เริ่มสมาธิเลยมันรู้สึกว่าหัวใจมันกระแทกแรงจนตัวมันโยกไปหมดเลยอันนั้นตอนที่เรานั่งสมาธิจิตสงบไหมยังไม่ทันสงบเลยค่ะเพนแค่มันเริ่มปุ๊บมันก็ปะก็เป็นเลยเหมือนกระทั่งตอนที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศก็ก็เป็นขึ้นมาอีกนะทั้งนั้นก็แค่รู้นะแค่รู้แค่เห็นไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นไหมมันเป็นเองค่ะดูไปเรื่อยดูจนกระทั่งเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันได้เองนะ คือการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบเอาความรู้ความสามารถอะไรหรอกเราปฏิบัติ เ, เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างที่ปรากฏอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นของชั่วคราวนะหรือว่าเป็นของบังคับไม่ได้เป็นของชั่วคราวคือเป็นอนิจจงควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นไปนเองก็คือเป็นอนัตตาดูไงก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นอยู่ๆจิตมันกระเทือนขึ้นมาร่างกายโยกอะไรเงี้ยนะก็แค่รู้แค่เห็นเออร่างกายนี้มันแกว่งได้เองนะ จิตมันก็ไหวของมันได้เองนะเนี่ยค่อยดูมันไปอย่างนี้เลยเจริญปัญญาไปเลยนะไม่ต้องกังวลกับอาการของจิตอาการของจิตเนี่ยเยอะแยะสารพัดจะเป็นขอบคุณนะคะหลวงพ่อครับอย่างของผมนี้ควรจะปฏิบัติยังไงอะครับเคยทำอะไรอยู่ละ่ะก็ดูความรู้สึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับดูขณะนี้จิตเป็นยังไง ตื่นเต้นแล้วก็กดๆหน่อยเพราะว่าตั้งใจจะคุยกับหลวงพ่อครับจิตอยู่ในฐานหรือจิตอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยจิตอยู่ข้างนอกอเห็นอย่างนี้ก็ใช้ได้นะรู้ว่าจิตออกนอกนี่ใช้ได้จิตจะตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วคุณก็ดูถ้าดูกายก็อย่าไปเพ่งมันนะอย่าไปบังคับจนมันแข็งๆนะดูไปสบายๆเห็นกายเหมือนคนอื่นถ้าจะดูจิตก็ดูสบายๆอย่างจิตมันโกรธ ด, ดูเหมือนคนอื่นโกรธเราไป็นคนดูเฉยๆ นะไม่ทิ้งคำว่าสบายดูไปสบายสบายอย่าให้เคร่งเคลียดแล้วคนดูกายหรือดูจิตดีครับมีอะไรให้ดูเอาวันนั้นแหละนะรวมจริงเป็นคนช่างคิดไหมเป็นครับเป็นคนช่างคิดเนะี่ยจิตมันจะดูง่ายเพราะมันจะเปลี่ยนบ่อยนะเป็นคนราคะแรงไหมแรงครับเออเนี่ยมันผสมภรสานนะเพราะงั้นตัวไหนเด่นเอาตัวนั้นแหละ ขอบคุณครับตอนนี้ดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ออกดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ดไไดทําสมถะนะใช่หลักนี้นะขอบคุณครับจริตนิสัยของพวกเรานะ้ําส่วนมากผสมผสานมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซต์ตามทฤษฎีว่าเป็นทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นหรือตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามทุกคนนะมันจะเป็นส่วนผสมเพียงแต่ตัวไหนเป็นหลัก เนั้นถ้าดูจิตใจเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปได้ดูไปเลยแต่ถ้าใจมันเฉยๆดูกายเลยครับนวส ก, การครับหลวงพ่ออยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ครับ<อ>ก็เพิ่งมาครั้งแรกครับพ่ อ, อที่ฝึกอยู่ก็ฝึกตามาดูจิตนะครับดูกายบ้างก็อย่าทิ้งกายนะอย่าทิ้งการนั่งไม่อย่าทิ้งร่างกายร่างกายต้องรู้ร่างกายด้วย ถ้าดูร่างกายแล้วจิตจะมีแรงมากครับแต่ดูจิตยอย่างเดียวเดี๋ยวแรงไม่พ อ, อแล้วถ้าดูฝึกดูลมหายใจนี่ผมเหมาะหรือเปล่าครับดูลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะครับฝึกนั้นมาจากไหนล่ะเชียงใหม่ครับโอมาไกลอยากจะคุยอะไรอีกคุยไปมุ <laughs> สาว ม, มาไกล ก็อย่างเวลารู้ลมหายใจไงครับอือรู้รู้แบบไหนที่มันพอดีอะครับ่อย่าไปเพ่งลมหายใจนะอย่าไปเพ่งเออแค่รู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจอยู่แค่นี้นี่รู้สึกรึเปล่าครับฮะอย่างประมาณนี้ทําดูสิแรงไปไหมมันแน่นไหมแน่นอยู่ครับเออนวิธีวัดนะถ้าแน่นไปแสดงว่าตึงไปครับถ้าหายใจแล้วหนีไปเลยลืมลมหายใจอันนี้หย่อนไป นะอย่างหายใจแล้วมันไหลไปแล้วรู้ทันท น, นี่เขาให้รู้ทันอย่างนั้นใช้ได้ครับหายใจแล้วไหลไปแล้วรู้ทันใช้ได้นะนะัหลวงพ่อตอนหัดทีแรกก็หัดหายใจตั้งแต่เล็กๆเลยเจดขวบก็หัดล้วหายใจนั้นทีแรกลมก็ยาวไปถึงท้องนะแล้วลมก็ตื้นๆมาถึงจมูกแ ล, ะละ้วลมก็หยุดเลยลมมาหายใจตื้นขึ้นเลยได้เป็นแสงสว่างแล้วก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปเราก็รู้เคลื่อนไปก็รู้ จิตตอนนี้ทื่อๆไหมทือ่อครับเออถ้าทื่อเนี่ยบังคับมากไปแล้ววิธีแก้ก็ต้องปล่อยใหม่เ <laughs> <laughs> นี่ยมันค่อยคลายออกแล้วรู้สึกไหมใจมจันจะคลายออกนะนี่เรารู้ของเราไปครับนรรศการหลวงพ่อครับ ก, ก็ส่งกลับบ้านปีกว่าครับแล้วก็ก็พยายามไปดูจิตที่คิดนะครับของตัวเองเพราะว่า ค่อนข้างยึดถือความคิดตัวเองค่อนข้างเยอะฮะแต่ว่าพอดูช่วงหลังๆคือจิตมันก็เป็นขณะเดียวฮะแล้วก็แปรเปลี่ยนไปเป็นจิตที่โกรธบ้างเวลาที่คนเห็นไม่ตรงกับตัวเองอครับนั่นแหละดีนะการภาวนาเราเป็นคนช่างคิดเรายึดในความคิดความเห็นเนี่ยการดูจิตเป็นกรรมฐานที่เหมาะแล้วล่ะต่อไปเราจะเห็นเลยว่ากระทั่งจิตของเราเรายังบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับจิตใจคนอื่นได้ยังไงมันจะค่อยๆลดตัวนี้ได้นะ คือมันจะเจอความมานะของตัวเองขึ้นมาเป็นระยะครับดีที่เห็นนะมันต้องมีมันต้องมีทุกคนแหละแต่ว่าคนทั่วไปเขามีแล้วเขาไม่เห็นเขาเลยแก้ปัญหาไม่ตกพวกเราเห็นนะแล้วต่อไปเราก็จะฟังคนอื่นได้เยอะขึ้นยอมรับความแตกต่างได้เยอะขึ้นก็หลวงพ่อมีแนะนําให้ไปดูตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับก็ดูจิตไป ดูไปด้วยแล้วเวลามันกระทบอารมณ์ใช่ไหมพวกปัญญากล้านะโทสะมันก็จะแรงด้วยโทสะมันก็มาเร็วกระทบถ้ากระทบเข้ามานะมีกิเลสอะไรมีโทสะขึ้นมาก็รู้ทันมันกระทบขึ้นมามีมานะนะยึดถือในความคิดความเห็นอะไรเงี้ยก็รู้ทันมันนะมานะนี่เป็นการเทียบเขาเทียบเราเราเก่งกว่าเราถูกกว่าเราดีกว่าอะไรเงี้ย หรือเขาดีกว่าเราเราแย่กว่าเขาเทียบไปเทียบมาหรือความเห็นว่าความเห็นของเรานเนี่ยถูกเนี่ยเรายึดถือในความคิดความเห็นแต่เราก็รู้ทันจิตใจเรื่อยๆแต่ไปกิเลสมันอยู่ไม่ไหวหรอกกิเลสมันเล่นทีเผลอถ้าเรามีสติคอยสอดส่องรู้ทันใจเรื่อยๆกิเลสไม่มีที่อยู่แล้วนะคืออยากจะขอการบ้านหลวงพ่อค่ะอืม หนูภาวนามาแบบไหนล่ะดูจิตบ้างดูกายบ้างค่ะบบสลับกันไปกิเลสตัวไหนมากฟุ้งซ่านค่ะฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านมากนะหากเครื่องอยู่ให้จิตนะจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วจิตนี้ไปคิดเราคอยรู้ทันเดี๋ยจิตค่อยสงบเข้ามาจิตใจสงบเราสบายแล้วก็ค่อยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อย หาบ้านให้จิตอยู่นะจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้อันนี้เหมาะสำหรับคนฟุ้งซ่านเพราะถ้าฟุ้งซ่านนะจิตฟุ้งเมื่อไหร่จิตก็ทิ้งลมหายใจหนีไปเที่ยวที่อื่นถ้าจิตเราเคยอยู่กับลมหายใจมันทิ้งลมหายใจไปหนีไปเที่ยวเราก็จะรู้ได้อย่างรวดเร็วเธอหนีไปจากบ้านแล้วงั้นหาบ้านให้จิตอยู่นะแล้วการพอนำจะง่ายขึ้นค่ะนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะ หนูมาจาเชียงใหม่เหมือนกันค่ะมาทงครอบครัวเหรอไหนนี่ดูทั้งครอบครัวสิมีอยู่กี่คนสองคนเหรอผู้ชุสูงอูงบัวโอ้ครอบครัวนี้ใหญ่ดูบัวกับภูเขาค่ะหลวงพ่ออืมว่างไงมาส่งกันบ้านครั้งที่สองค่ะเออตอนนี้หนูเห็นว่าแท้จริงแล้วกายเราเนี่ยไม่มีมอยากทราบว่าหนูเห็นด้วยปัญญาหรือเปล่าคะมันไม่มีความเป็นตัวเป็นตนนะมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่ตัวเรา อันเนี้ยเห็นไม่ยากหรอกภาวนาไปช่วงหนึ่งก็เห็นแล้วละ่ะต่อไปเราก็มาดูจิตใจของเรายึดถือในความเห็นบ่อยไหมอย่างเวลาถ้าคนอื่นมีความเห็นต่างกับเราโมโหไหมนี่ยังยังเป็นค่ะนะเราค่อยรู้ดูใจของเราบ่อยๆใจของเราเป็นสุขเราก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงใจเราฟุ้งซ่านใจเราหดหูคอยรู้ทันจิตใจไปเรื่อยนะของคุณดูจิตดูใจก็เหมาะดีเหมาะดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นคนช่างคิดค่ะกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวเดินหน้าหลวงพ่อไปไปเชียงใหม่นะมิถุนาไปอเมริกาศาสนาพุทธเราขยายตัวยากนะ ไปเทศที่ไม่ได้เทศให้ฝรั่งฟังเทให้คนไทยฟังไปเผยแพร่โอกาสที่ศาสนาพุทธจะกระจายไปสู่คนกลุ่มอื่นนะที่ไม่ใช่คนไทยคนไทยคนลาวคนกัมพูชานี่นน ย, ายากยากยากมากเลยฉนศาสนาพุทธจริงๆเหลืออยู่ไม่มากอ่ะ mm hmm. เหลืออยู่นิดเดียว <h> พวกเราเป็นคนส่วนน้อยในคนส่วนน้อย คือตอนนี้าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาส่วนน้อยแล้วจากาศาสนาส่วนใหญ่นะแกเป็นาศาสนาเล็กๆแล้วและในคนที่เป็นชาวพุทธนึ่นเป็นคนกลุ่มน้อยอยู่แล้วนะมีน้อยหนักเข้าไปอีกนะที่สนใจเรียนธรรมะจริงๆ ง, งั้นพวกเราเลยเป็นคนส่วนน้อยในคนส่วนน้อยอีกทีเรียนให้ได้ก็แล้วกันนะเราจะได้รักษาสืบทอดาศาสนาไว้ทุกคนมีหน้าที่หน้าที่อันที่หนึ่งนะ ทำประโยชน์ของตนเองให้สมบูรณ์คือหัดภาวนาจนเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเชื่อมั่นแน่นแฟ้นเลยพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงทางแห่งความพ้นทุกมีจริงใจมันมั่นคงแน่นแฟ้นถัดจากนั้นเราก็มีหน้าที่ต่อไปอีกคือการบอกต่อทำประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมช่วยเหลือคนอื่นบ้างให้เขาได้รับกระแสของธรรมะบ้าง อย่างพวกเราตอนนี้ภาวนาเรายัางทำได้ไม่เต็มที่ก็ต้องขยันนะภาวนาบางทีเราก็มีวิธีช่วยคนอื่นเอาซีดีไปแจกบ้างแจกหนังสือบ้างอะไรีให้โ อ, อ ก, กาสคนอื่นตอนนี้ลูกศิษย์ซีดีหลวงพ่อเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะนับไม่ถูกเยอะมากเลยไปฟังแล้วก็ไปไลฟ์ต่อๆกันไปนะบางบ้านนะมีแผ่นเดียวกันเนี่ยต้องหลายแผ่นเนะี <c oughs> คนนั้นให้มาตีคนนี้ให้มาตีเลย เก็บไว้เป็นตักก็ ย, ยังดีอ้าววันนี้พอสมควรนะเชิญ